มีมีเด็กลูกญี่ปุ่นนะใช่ไหมที่ไปตามหาพ่อเอารูป <c oughs> ตอนนี้ก็มีเด็กไทยนะเอารูปมาที่หลวงพ่อตามหาพ่อเหมือนกันเราก็้มลุยไปตามให้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> พ่อหนีไปบวชตั้งแต่ลูกเลี้งเล็กๆอ่ะนะนเอาไปบวชแล้วใจแข็งมากเลยบวชแล้วตู้ ด, ดงหายไปเลย ลูกอยู่มาจนโตนะไม่เห็นพ่อเลยอยากจะเจอพ่อะ ไ, ไม่ได้คิดจะให้สึกหรอกนะแค่อยากจะเห็นพ่อโวกเราก็ไม่รู้ไปตามให้ที่ไหนนะต้องไปยืนที่ฐานทูตญี่ปุ่นมั้ยมันจะได้เป็นข่าวนะบางคนก็ยอมรับไม่ได้นะอย่างพระเภศสันดอนคนยอมรับไม่ได้ว่า อยากเป็นพระพุทธเจ้าเอาลูกไปยกให้เขาเอาเมียไปยกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่ยกตัวเองให้เข้าไปก็ไม่มีคนขอนะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเราเอาความรู้สึกของคนยุคนึงไปตัดสินคนยุคนึงละนะคนโบราณยุคโบราณลูกเมียเป็นทรัพย์สินอย่างหนึง่งนะสละได้ ในนี้เป็นเรื่องสิทธิสตรีใช่ไหมสละไม่ได้หรอกมีแต่ถูกสตรีสละ <laughs> <laughs> วัฒนธรรมเป็นคนละยุคกันนะถ้าเราเราเป็นตัวตั้งไปตัดสินคนอื่นนะปัญหามันก็เกิดเรื่อยๆไม่ต้องตัดสินข้ามยุคข้ามสมัยหรอกแค่ยุคนี้แหละในที่ทำงานเดียวกับเราในบ้านเดียวกับเรา บางทีมาตรฐานการมองอะไรมันไม่เหมือนกันถ้าเรามองในมุมของเราเรารับไม่ไดนะ้ถ้าเรามองมุมของเขาบ้างนะบางทีก็รับได้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเขาจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นบางทีถ้าเข้าใจคนอื่นนะปัญหาความขัดแย้งก็น้อยถ้าเราผัดภาวนาแล้วเราสบายเรารู้ทันตัวเองนะเราก็จะเข้าใจคนอื่นได้เยอะขึ้น แต่ละคนมันก็มีเหตุผลมีความจําเป็นของตัวเองเราเอามาตรฐานเร า, เราเอาความต้องการไม้บรรทัดของเราไปวัดคนอื่นอนะปัญหาเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสังคมไม่มีไม้บรรทัดเลยสังคมก็ต้องมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม้บรรทัดตามใจชอบนะควรจะเอาธรรมะนี่แนหะเป็นไม้บรรทัดอย่างถ้ามีใครมาบอกเราบอกว่าโกงก็ได้แต่มีผลงานเนี่ย อ น, นี้ไม้บรรทัดเถื่อนชาวพุทธไม้บรรทัดอย่างนี้ไม่รับรับไม่ได้ก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันนะมาตรฐานของชาวพุทธก็ต้องมีอย่างท่านอาจารย์ประยุทธ์นะท่านเป็นนักปราชญาท่านบอกคนเดียวนี้ยเลอะเทอะแล้วไม่มีไม้บรรทัดที่ถูกต้องแล้วภาษาท่านไม่ไม่หยาบครอย่างหลวงพ่อนะภาษาหลวงพ่อจะโฉงฉางท่านภาษาผู้ดีนักปรัชญาน้าปราชญาท่านพูดนุ่มนวล ท่านบอกว่าเวลาเราพูดถึงศาสนาอื่นน่ะเราก็บอกว่าโอ้แต่ละศาสนาก็ดีเหมือนกันแหละท่านพูดอีกเนี่ยท่านบอกพูดแบบถ้าสำนวนหลวงพ่อนะไม่รับผิดชอบเหมือนกันได้ไงไม่เหมือนหรอกท่านบอกคําพูดที่ถูกต้องแล้วดีด้วยกันดีด้วยกันคือเขาก็ดีของเขาเราก็ดีอย่างของเราดีคนละแบบไม่เหมือนกัน เตีไม่ใช่ชุยชยนะอันไหนก็เหมือนกันหมดเลยนะอะไรเหมือนกันหมด้็ไม่ต้องมีศาสด า, าพูดหรอกนะอะไรก็ได้ทีนะ่บางทีประณีประนอมจนกระทั่งไม่มีหลักการนะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ชาวพุทธก็ต้องมีหลักการของชาวพุทธนะแต่ว่าใครเขาไม่เชื่อหลักการของเราเราก็ไม่ไปเอาปืนจี้ให้เขาเชื่อนะไม่ไปบังคับเขาแต่เราทาตัวให้ดูเรามีความสุขให้เขาดูให้ได้ อย่างใครบอกว่าวิธีภาวนาของเขาดีหลวงพ่อเออดีก็ดีนะขอให้พ้นทุกจริงเหรอเออยังไงก็ได้หรอขอให้มันพ้นทุกันแล้วกันนะแต่เรามีความสุขให้เขาดูนะเราภาวนามาเรามีความสุขคนที่มองเห็นนะบางทีเขาก็เลยอยากภาวนาบ้างหาัดภาวนานะแล้วมีความสุขให้เขาเห็นนะไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อหรอก ความร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะมันยิ่งกว่าคำโฆษณาเพเขาเห็นเราภาวนาแล้วเรามีศีลมีธรรมนะชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเขาสนใจสนใจแต่คนในโลกเดี๋ยวนี้บางทีก็หยาบหยบนันเลยไปต้องตกเป็นเหยือ่อการโฆษณาการปลูกระดมอะไรอย่างงี้เมื่อ อาทิตย์ก่อนมัน้ง mm hmm. หลวงพ่อไปเสถียรธรรมสถาน mm hmm. ตอนแรกเขาจัดงานคนที่จัดนะบอกต้องเตรียมรับคนพันกว่าคนนะเธอต้องพันกว่าคน mm hmm. บางคนบอกว่าเวอร์เหยไม่มีหรอกพระอะไรมาเทศพันกว่าคนเวลาเขามีคอนเสิร์ตโฆษณาแทบตายก็ไปพันกว่าคน mm hmm. ไม่เชื่อหรอกนะหาว่าขี้โม วันที่หลวงพ่อไปน้เข้าไปสามพันกว่าสเทียนพวกที่อยู่ในนั้นบางคนแต่เดิมไม่สนใจหลวงพ่อนะพอเห็นคนไปเยอะชักจะสนใจนี่อย่างนี้ก็มีนะดูสิเราพูดธรรมะล้วนๆ น, นะไม่สนใจหรอกแต่ถ้าใครเขาเห่อแล้วเห่อตามเขาดูสิสติปัญญาก็ยังดีนะก็ยังดีนะดีอย่างของเขาอ่ะ ไม่ใช่ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ดีด้วยกันแหละนะหลายคนนะมันไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณพอนะต้องอาศัยสถานการณ์อาศัยอะไรแต่หลวงพ่อไม่ได้สร้างสถานการณ์นะไปกันเองเราไม่ได้เชิญหรอกวัานไหนโยมไม่มาวัดหลวงพ่อมีความสุขจตายตอนอยู่สวนโพนะ วันไหนไม่มีโยมนะเดินเล่นเวทลุ่ยทั่ววัดเลยนะโอ้สบายสุโคพิเวโกเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะวันที่ไม่มีโยมก็ไม่ว่านะแต่ละคนก็อยากพ้นทุกอยากได้ดีอยากเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็ภาคเพียรมาเรียนไม่ว่าอะไรหรอกดีแล้วแต่เรียนแล้วอย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยปล่านะเหนื่อยมากเลยบางวันเทศเทศหายใจไม่ทันนะ ต้องทำสมาธิเทศหายใจไม่ทันอากาศชื้นๆนี่แนหะหายใจไม่ออกอให้ให้เราเหนื่อยฟรีนะ mm hmm. เรียนแล้วภาวนาเรียนล้าไปทำให้ได้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ได้มีความสุขในชีวิตขึ้นมาให้ได้มีความสุขให้คนรอบๆตัวเห็นให้ได้คนในบ้านเรานั่นแหละคนในบ้านเราได้สนใจธรรมะคนทั้งบ้านสนใจธรรมะในบ้านมันร่มเย็นเป็นสุข ต่อไปเราไปอยู่ที่ทํางานนะคนใกล้ๆเราเขาก็เห็นเขาก็สนใจธรรมะเป็นวิธีประกาศธรรมะอย่างหนึ่งนะคือทําให้เขาดูภาวนาไปแล้วมีความสุขมีความผ่องใสมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นเขาถึงจะเชื่อว่าธรรมะของจรงิงบางคนน่าภาวนาเที่ยวโฆษณาให้คนปฏิบัติธรรมแต่ร้ายเหมือนเดิมเลยเขาไม่เชื่อหรอกใช้ บางคนอยากให้พ่อแม่ภาวนานะมาบทให้หลวงพ่อฟังต่อหน้าแม่ด้วยไปเอแม่มาแม่ดิฉันแม่หนูนัดื้อดื้เราไข่แม่ไข่ลูกวะแม่หนูดื้อดืว่าอะไรก็ไม่ฟังนะบอกไปว่าแม่ทำไมไม่ว่าแล้วก็เอาใหญ่ถามว่าแม่เชื่อไหมว่าลูกภาวนาแม่ไม่เชื่อหรอกมันก็แย่อย่างนี้มาจากไหนแต่ไรนะ เราดีขึ้นดีขึ้นให้เขาเห็นนะไม่ต้องโฆษณาหรอกเขาก็สนใจอ้าวต่อไปตรวจกันบ้านวันนี้หลวงพ่อถือโ่ากาดเทศนิดหน่อยเพราะยังเดินเข้ามาไม่หมดเลยไม่ได้ส่งกันบ้านมา9เดือนแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อพอดีว่าไงมันก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแป ล, เป ล, เปลงเจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาจิตขณะนี้เป็นยังไงมันตื่นเต้นแล้วก็กดเ อ, อยเจ้าค่ะอื ทำไมถึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงละ่ะรู้ออกไหมคิดว่ายังประคองอยู่เยอะเจ้าค่ะใช่แล้วรู้แล้วนี่รู้แล้วก็ไปจัดการตัวเองนะถ้าดูต่อไปอย่างที่ดูนี่พอไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่ออย่าชงใจดูเจ้าค่ะนะกฎของการดูจิตสข้อนะข้อที่1ก่อนดูเนี่ยอย่าไปดักเอาไว้ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยดูกฎข้อที่1อย่าดักดู ข้อที่สองระหว่างดูเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องที่ถลําลงไปจ้องนะเพราะอยากดูให้ชัดๆจ้องจ้องจิตมันถลําลงไปกลายเป็นเพ่งนะกฎข้อที่สามคือดูแล้วไม่แทรกแสงนะดูแล้วมันมันดีก็รู้ไปมันร้ายก็รู้ไปนะมันสุขมันทุกข์รู้อย่างเป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะเช่นเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธ เห็นความโกรธเกิดขึ้นนนะั้ไม่ต้องไปหาทางทำลายมันอยากให้หายโกรธเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นกลางแล้ให้รู้ทันความอยากจะหายโกรธ <c oughs> จิตมันยินร้ายถ้ารู้ทันนะความอยากหายโกรธความยินร้ายดับไปเองใจก็เป็นกลางดังนั้นก่อนจะดูนะฝากให้ทุกคนจํากฎสาข้อไว้ของการดูจิตข้อที่หนึ่งก่อนจะดูนะอย่าไปดักดูให้สภาวะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูว่าจะมีอะไรให้ดู หลคนดูจิตนะแล้วบอกไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆไปหมดเลยเพราะไปรอดูข้อระครังแก้งเริ่มปฏิบัติจ้องแนละ้วเมื่อไหร่ราคาจะเกิดไนะเมื่อไหร่โทรศาทจะโผล่ไม่มีอะไรมีมีโมหะมองไม่เห็นนะงั้นก่อนจะดูอย่าไปดักไว้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้นะระหว่างดูอย่าถล้ำลงไปจ้องดูห่างๆดูแบบคนวงนอก อันที่สามพอรู้แล้วดูแล้วไม่แทรกแซงมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วรู้ไปด้วยความเป็นกลางนะแต่ถ้าไม่เป็นกลางมันยินดีขึ้นมาให้รู้ทันมันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะดูอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูไม่นิ่งหรอกในสามข้อนี้ผิดข้อไหนบ้างผิดทั้งสามข้อผิดสามข้อนะเออตอบถูกแต่ว่าภาวนาก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่วนะ โมหะค่ะหลวงพ่อในสามข้อเนี้ยผิดข้อไหนบ้างนะวันนี้เราจะถามหลายๆคนเลยใครยกมือหิดหิดทั้งสามข้อค่ะแต่ข้อสองจะเยอะข้อสองไปเพ่งมากข้อหนึ่งไปดักดูข้อสองดูดูด้วยการไปเพ่งจ้องข้อสามไปแทรกแสงมันข้อสก็เยอะค่ะเออข้อสามเยอะใจไม่เป็นกลางนะเอาคุณแตบบสามข้อว่าไงเสร็จเราวันเนี้ จะมาถามเราครั้งเดียวนานแล้วเอาบ้างสึกไม่ค่อยถึงฐานค่งพอไม่ถึงฐานตับถูกนี่ฉีกแนวออกไปดักดูไหมนิดหน่อยค่ะนะดักดูนะระหว่างดูยังเพ่งไหมเพ่งค่ะเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางเออนะทั้งสมข้อนะชื่ออะไรลืมอีกแล้วเตยครับเต้ยเอตยจะเป็นข้อสามเยอะครับ ข้อสเยอะนะแทรกแสงให้รู้ทันจิตไม่เป็นกลางไม่ได้ห้ามนะจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ห้ามเป็นห้ามไม่ให้เป็นกลางห้ามยินดีห้ามยินไลน์ไม่มีคําว่าห้ามใน ม, มิปัสสนามีแต่เป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นไป <นะ S 2> ดูเอานะตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเราเราก็ไปสํารวจตัวเองทุกๆคนนะสํารวจตัวเองในกฎ3ามข้อนี้เราผิดข้อไหนบ้างสํารวจตัวเองเจอต่อไปไม่ผิดหรอกนะ ถ้าไม่ผิดนั่งก็สบายเลยภาวนา ง, ง่ายส่วนใหญ่จะความคิดขยุมขยิมเยอะค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยค่อนข้างจะอยู่ที่ข้อนหนึ่งกับข้อสองเพราพยายามจะดูว่าจ ะ, จะดูความคิดกับเพ่งเราจะจงใจดูนะก็เพ่งถูกะนะไปจัดการซ ะ, ออะถูกอา้าวต่อไปใครจะรายงานกดสามข้อบังยกมือ <laughs> ใครจะกล้าหารเบอร์แปดสบปด บางคนไม่จําเป็นหรอกนะบางคนมีสติปัญญาพอที่จะช่วยตัวเองได้ละอย่างของคุณไม่มีปัญหาแล้วมันไปได้เองอ่ะค่อยๆสังเกตไปนะใจไปติดไปข้องอะไรรู้ทันค่อยสํารวจตัวเองไปนะว่าเราภาวนาไปพลาดอยู่จุดไหนถ้ารู้ทันนะมันไม่พลาดเมื่อไปเองนหะนรมาสการค่ะหลวงพ่อ<ม>ผิดข้อสามเยอะค่ะเหลอแทรกแซงเหลอค่ะทําไมล่ะ ก็ยังไม่เป็นกลางสักเท่าไหร่ทำไม<า><ะ>มันไม่เป็นกลางล่ะอยากดีค่ะเออมันอยากดีเก่งเลยตอบถูก <c oughs> ต้องมีความอยากปนอยู่แล้วนะค่ะเ อ, อหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้วันเกิดอยากให้หลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติให้คุณแม่อะค่ะเออเหรออ๋อดีนะลูกดีไหนคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ข้างๆค่ะนะออคุณแม่ยกมือแล้วก็ส่งกันหาแม่เหรอนั่นนึกว่าพี่สาว <c oughs> คนเดียวนี้นําไม่แก่เลยเนาะเอาว่าไปคุณแม่คุณแม่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยเจ้าค่ะมีฟังซีดีในโคุณ <ใน S 1> แม่เห็นไหมใจตื่นเต้นดูออกไหมใจมันตื่นเต้นนะให้รู้ทันการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้บ่อยๆแล้วคุณแม่รู้จักใจลอยไหมเวลาใจมันแอบไปคิดเรียกว่าใจลอย คนเราใจลอยทั้งวันอนะ่ะเขาคิดทั้งวันนะต่อไปนี้เราพัฒนาตัวเองนิดนึงพอจิตแอบไปคิดเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไวๆว่าแอบไปคิดแล้วรู้ไวๆว่าใจลอยไปแล้วนะแล้วไปฟังซีดีหลวงพ่อนะไปฟังเขาแล้วจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ลูกพาพ่อแม่เข้าวัดดีจังเอาเบอร์ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอยู่ข้างหลัง ก็จากการที่ได้ไนเคครับตัวปลอม อ, อ๋อทราบแล้วครับก็จากการที่ได้ปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือผิดข้อสะผิดทั้งสามข้อเยอะพอๆกันครับนะรอแล้วจะทำไงดีก็คงต้องไม่ทำอะไระครับนอกจากรู้ไปอย่างมันนะครับรู้หมดแล้วมาถามทำไมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มีเรื่องรายงานครับก็คือ การปฏิบัติที่ผ่านมาผมสังเกตว่าถ้าอยู่คนเดียวหรือภาวนาอะไรอยู่คนเดียวนี่ก็คือมันก็รู้ได้ครับแต่ในชีวิตประจำวันเวลาทํางานนี่คือว่ามันแค่มันก็สติมันไม่เป็นสันติะครับแล้วมันก็บางทีไปเจออารมณ์แรงๆมันก็เลิดไปเลยครับจนบางทีผมเองก็เลยรู้สึกเสียใจที่ครับห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้หรอกนะมันเป็นยังไงรู้ไปไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับมัน ผมเองก็เลยรู้สึกบางทีเสียใจที่ทําให้ระศาสนาหรือหลวงพ่อต้องพลอยแบบขายหน้าไปครับหลวงพ่อไม่ขายหน้าหรอกไม่ขายหน้ามีสองแบบนะหนึ่งหน้าด้านถ้าสองไม่ยึดถือนะก็จากนั้นบางทีผมยังสงสัยอย่างหนึ่งคือเวลาที่จะออกจากการทําภาวนาในรูปแบบที่มีครูบาอาจารย์สอนว่าก็ควรคล้ายๆแบบประคองให้รู้จ่าสภาวะที่เราเกิดกําหนดสู่ความสงบมาสู่พระภัยนอกคือ เวลาผมออกจากที่จมกลมจิตผมจะพวดพลาดออกยังไม่สามารถแบบตามรู้หรือประคองตรงจุดนี้เราค่อยๆห ย, ยอดออกลงมาได้ครับอย่าไปประคองตั้งแต่เริ่มเดินจงกรมติดเดินจงกรมก็ไม่ประคองนะเดินจงกรมก็เห็นกายมันเดินเห็นใจมันทํางานจะเดินจงกรมหรือจะไม่เดินจงกรมก็เหมือนกันเลยครับใจจะไม่มีความต่างนะระหว่างเดินจงกรมกับตอนอยู่ธรรมดาเนี้ย ครับแล้วสุดคือตอนนี้ผมก็ประเมินตัวผมว่าก็คือมันมันก็ยังคงที่อยู่มันก็ยังไม่มีอะไรแบบไม่คงที่หรอกใจมันเบาขึ้นดวออกไหมก็ในระดับหนึ่งครับเห็นไหมใจมันเป็นกลางมากขึ้นมันดิ้นน้อยลงอะรู้สึกไหมครับก่อนนะ้ำมันดิ้นโลวดพวดพลาดพ ล, ลาดนะอันนี้มันก็ดิ้นน้อยลงก็ดีขึ้นแล้วละ่ะก็แต่บางทีผมก็รู้สึกว่าบางทีแบบ มันยังไม่เด่นชัดพอที่คุณพ่อคุณแม่จะยอมรับอะครับนั่นแน่จะให้พ่อแม่ยอมรับอีกคนละพ่อนาเปลี่ยนของเราเองนะส่วนคนอื่นจะเห็นแล้วเขายอมตามนะเป็นเรื่องผลปลอยได้งานหลักคือพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนนะพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าฝึกตนดีแล้วถึงฝึกผู้อื่นนะทําให้เขาดูดีกว่าพูดยิ่งพ่อแม่เนี่ยนะไม่มีวันเชื่อเราหรอก เขาเห็นเราเป็นเด็กตลอดการทางที่ดีก็คือต้องภาวนาจนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเขายอมรับเองแต่ผู้ใหญ่เวลายอมรับส่วนมากก็วางฟอร์มเพราะผู้ใหญ่ก็มีหมูกระดาษเหมือนกันเราก็ว่าเขาไม่ได้เราให้เวลาก็บ้างครับแล้วมีข้อแนะนําอะไรอย่างอื่นที่ผมควรจะฝึกเพิ่มเติมอีกไหมครับใช้มันอ่อนแอเปน็นทีหน่อยนะครับทำในรูปแบบสม่ําเสมออย่าละเลยครับกราบขอบพระคุณครั บ, บ, รบท่านเสียเกียรเป็นไง อท่านเสียเกียตรยตริตอนนี้ท่านก็สบายดีครับเหมือนกับว่าท่านก็กำลังทำงานของท่านไปเรื่อยๆครับเพียงแต่เรื่องโครงการแปลประสูตร ต, ตอนนี้เหมือนกับก็มีประชุมเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะอัดงานอย่างอาจจะไม่ถึงขั้นคืบหน้ามากครับอืมอ้าวเปิดเกากับน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้ประคองค่ ะ, คะแต่ว่าอยากเรียนผลการปฏิบัตินะคะเนื่องจากตอนหลังนี้ไปปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกมีกุกกุจะค่ ะ, คะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ว่านั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นว่าจิตดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วมันเกิดความกลัวนะคะ<อ>ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีความมุ่ง ม, มั่นเหมือนมีความอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆรู้ทันไปสินะ ไม่งั้นกลายเป็นดักดูอยากจะ<า>ดูก็ไปดักดูค่แล้วอยากรู้ให้ชัดก็เป็นเพ่งจ้องใช่เจ้าค่ะอยากให้มันดีก็เข้าไปแก้ไขเจ<า>้าค่ะไปดูเอานะมันก็ผิดอยู่ในกฎสามข้อแล้วค<า>่ะก็สำรวจตัวเองเอาอยากให้หลวงพ่อเมตตาช่วยดูว่าตอนนี้เพง่งไปไหมคะ จิตไม่ถึงฐานอ๋อออย่างนี้ไม่ถึงไม่ดูไม่เป็นเจ้าค่ะไม่เคยเป็นรู้สึกไหม <increí> ตรงที่คําว่าดูไม่เป็นต้องพูดคําว่าดูไม่เป็นมีจิตคล่ําครวนเกิดขึ้นค่ะนะจิตที่มันไม่ถึงฐานจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันรู้อยู่นอกนอกใช่เจ้าค่ะรู้สึกไหมมันรู้อยู่นอกนอกโล่งโล ง, ลงว่างว่างใช่เจ้าค่ะเออให้รู้ทันว่าจิตไปติดอยู่ข้างนอกไปติดในความโล่งความวา่างค่ะรู้เฉยๆนะแล้วมันจะทวนกระแสกลับเข้ามาหาตัวรู้เองเจ้าค่ะ คล้ายๆเราไปเดินเห็นอะไรเดินอยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วออกจากบ้านไปยืนอยู่ริมถนนไปดูเขานะสมมุติว่ามีนางงามจั ก, กรวาลเดินมาเราก็ออกไปยืนอยู่ข้างถนนพอเข้าไปแล้วเราไม่เข้าบ้านนะถนนโล่งๆแล้วเราก็ยืนอยู่ริมถนนนั่นแหละเจ้าค่ะไปดูเอานะร้ <c oughs> 135. อยสามสิบห้าผู้หญิงนี้เทียบนางงามจั ก, กรวาลไม่ได้ไปดูแล้วบางทีมีโทสะ <c oughs> <c oughs> ถ้าผู้ชายไปดูแล้วไม่เกิดโลภะนะ การมราลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าว่าไปเ อ, อเคยมารายงานผลการปฏิบัติประมาณเดือนพฤษภาครับหนวงพ่อแล้วหลวงว่ายไปกลับไปดูกายก็มีอยู่คืนหนึ่งครับนอนกําลังจะนอนแล้วเราคิดว่าจะลองดูเล่นๆตอนนอนนอนดูไปนอนดูมาก็เห็นเหมือนร่างกายมันเป็นหุ่นดินเหนียวปั้นขึ้นมาครับเออนะเนี่ยแหละเห็นไหมทำไมมันเห็นขึ้นมาได้เพราะไม่ได้จงใจ จะบอกเรดูเล่นๆคลิสลับของมันอยู่ที่ดูเล่นๆถ้าจงใจดูจะกลายเป็นไปตักจ้องเอาไว้แล้วมันเกิดตกใจขึ้นมาครับกลัวก็เลยหายไปเลยตัวให้รู้ว่ากลัวนะแล้วก็มีมีอีกวันหนึ่งครับตอนเช้าตอนที่จะเดินไปทานข้าวในระหว่างที่เดินเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันกระเทือนมากระหว่างที่คุยกับแฟนรู้สึกว่าจิตมันวนๆอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทั้งๆที่เรานั่งนั่งห่างกับแฟนตามปกติ แต่เราได้ยินเสียงเหมือนแฟนอยู่ไกลๆแต่เราอยู่ตรงเนี้ยออครับ<ด>แต่หลังจากนั้นไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาจิตก็เสื่อมลงมาเรื่อยๆครับเพราะความอยากดู อ, อและตอนนี้ก็มีโมหะเยอะเรอาอสรุปได้ละมันเสื่อมเพราะอยากนั่นเองครับนะแล้วก็รู้เล่นๆนะมันดีมีอัดยิ่งดูยิ่งเห็นอัดตาเยอะนึกว่ามันจะลดลงมันก็ยิ่งดูยิ่งเห็นเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนมีนะแต่เราไม่เห็นเราเลยนึกว่าไม่มีครับ ที่เราดูแล้วเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ใช่เราดูได้เก่งขึ้นแต่หางดูได้ละเอียดเราออกขึ้นในความเป็นจริงนะทุกทุกคนเลยนะในสัตว์ทั้งหลายในคนทั้งหลายเนะี่ยทุกการกระทาเลยมันเจือด้วยมาหน้าตาเข้าไปด้วยกระทั่งจะทําบุญยังเจือเลยนยจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันแฝงเข้าไปตลอดะแต่เรามองไม่เห็นการที่เรามีสติมีปัญญาแกะกล้าขึ้นเราเห็นบ่อยขึ้นเป็นเรื่องดีนะ จิตของคุณดีแต่ว่าจุดอ่อนตอนนี้คือแรงมันตกไปนิดนึง ร, รู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงดูครับให้รู้ว่าไม่มีแรงอย่าอยากมีแรงนะถ้าอยากให้รู้ว่าอยากเวลาที่จิตภาวนาไปเนี่ยบางครั้งจิตเจริญบางครั้งจิตก็เสื่อมเป็นเรื่องปกติเมื่อเจริญเราหลงดีใจก็เรียกว่าเสียทีมันเมื่อเสื่อมเราเสียใจนะเราดิ้นรนพลนกว้านี่ก็เรียกว่าเสียทีมันให้รู้ด้วยความเป็นกลางไว้ ความเสื่อมเกิดขึ้นรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่แทรกแซงที่จะทำให้มันดีนะกดข้อที่สามไม่แทรกแซงเบอรร้ 4, อยสิบสคุณภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะคุณไปรู้กายต่อนะรู้กายแล้วมันจะมารู้จิตค่ะคิดว่าที่ผ่านมาผิดทั้งสามข้อคะ่ะแต่ว่าที่ที่ผิดมากที่สุดคือข้อสามโอ้ไม่เป็นกลาง <laughs> แล้วก็เราก็คิดว่าติดดีค่อนข้างมากค่ะรู้รู้ตัวอย่างว่าจริงๆเราร้ายอันนี้เห็นย่งรเออร้ายกว่าที่นึกเนาะเห็นว่าว่าร้ายกว่าที่คิดแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ไปสร้างหมูกระดาษขึ้นมาเวลาทําหมือนหมูอย่างนี้สมเป็นลูกฝีหลวงพ่อเห็นไหมมันขี้ฉาด้วยค่ะออเห็นไหมมันน่าภาคด้วยตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็กดใช่ใช่ค่ะอย่างนี้แหละค่อยเป็นนักปฏิบัตินะ หลวงพ่อเจ้าคะเ อ, อไม่ทราบว่าเ อ, อสมถะที่ที่เหมาะกับหนูคืออะไรอะ่ะหายใจไปสมถะนะหรืออะไรค่ะสมถะสมถะหายใจไปเราวิหารธรรมมัเจะหานะรู้สึกที่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาดูจิตได้ชัดหนึ่งขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณนั้นมันคิดเยอะช่างคิดนะ ใจมันฟุ้งซ่าน ง, ง่ายเราไม่ได้ทําสมถะมาก่อนงั้นเราเอากายมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยใจจะได้ไม่ฟุ้งมากฟุ้งก็ไม่ให้เกินกายออกไปเดี๋ยวใจค่อยสงบมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแล้วต่อไปจิตมันเคลื่อนไหวเนะี่ยมันรู้ได้เองเลยโดยพื้นฐานเนี่ยของคุณต้องดูจิตนะเป็นคนช่างคิดโดยพื้นฐานเลยต้องดูจิต แต่ช่วงเนี้จิตไม่มีแรงมาดูกายไว้ก่อนเบอร์หกสิบพรมั ส, ส ก, การค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนนาอไม่เห็นว่าไปข้อสมค่ะแทรกแสงแล้วก็โทรษะเยอะค่ะแล้วก็เพ่งตอถบถูกแล้วไงอีกก็มีความคิดอกุศลเยอะมากดีที่รู้นะ <c oughs> เวลาความคิดอกุศลเกิดขึ้นเราจงใจคิดไหม ตั้งใจคิดอากูสนไหมหรือมันคิดของมันเอ ง, เองคถ้ามันขึ้นขึ้นมาเองนะไม่เป็นไรเรียกว่าการกระทํากรรมของมันเนี่ยไม่ครบองค์ประกอบเคือเราไม่ได้เจตนาขาดเจตนาเป็นองค์ประกอบสําคัญนะคล้ายๆทําความผิดโดยไม่เจตนาความผิดเล็กน้อยแต่การที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเกิดอกุศลเนี่ยตัวนี้เป็นบุญอันใหญ่งั้นจิตมันคิดไม่ดีนะเหมือนมีอากุศลแค่นี้นิ้วเดียว จิตมันมีสตินะเหมือนได้บุญมากำปั้นหนึ่งนี้ยไม่ต้องกลัวหรอก<ต>อย่า<ะ>ไปห้ามมันห้ามไม่ได้จะเกลียดมันมากอันนั่นแหละไม่เป็นกลางนะผิดข้อสามละไปเกลียดมันจิตมันคิดทําไมต้องไปเกลียดมันอา้าวเบอร์ร้อขอบคุณค่ะอย่าไปกลัวนะไปกลัวภาวนาใช้ได้อยู่ค่ะกราบนะ้ำมนต์สการหลวงพ่อคะ่ะช่วงที่ผ่านมาการปฏิบัติคือรู้สึกว่าตัวเองจะ รู้ไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็จะคิดปรุงมารู้อีกทีก็คือเข้าข้างตัวเองไปแล้วอะคะอ่ะยังรู้ทันอย่างนี้ยังใช้ได้นานๆครั้งถึงจะรู้ว่าสงสัยอะค่ะค่อยฝึกนะต่อไปมันก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินจิตเคยหลงมันก็จะหลงบ่อยจิตเคยโลภมันก็โลภ บ, บ่อยจิตเคยโกรธมันก็โกรธบ่อยห้ามมันไม่ได้ดอก จิตไม่เคยมีสติเพราะงั้นสติไม่เกิดบ่อยการที่เราคอยหัดมีสติคอยตามรู้ตามดูเรื่อยๆนะต่อไปสติมันเกิดบ่อยจิตมันเคยชินที่จะรูนะ้เกิดความเคยชินชนิดใหม่ขึ้นมานะค่อยๆฝึกไปขอบคุณค่ะใจไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงดูออกไหม<อ>มีเครื่องช่วยนะที่จะทำให้ใจเรามีแรงนะั้นคอยคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะคิดถึงบ่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ เดี๋ยวใจจะมีกำลังขึ้นมาขอบคุณค่ะพอคิดไหวไหมก็ไม่ค่อยลองนึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้านี่มีความดีเยอะอะไรเงี้ยมีความการุณาอุตส่าห์สอนธรรมะที่สอนยากๆท่านอุตส่าห์สอนท่านมีความบริสุทธิ์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านอะไรมีปัญญามาก ฉลาดรอบรู้ทำตัวเองให้พ้นทุกข์ได้แล้วพาคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้ด้วยแล้วคอยคิดถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มศรัทธาด้วยศรัทธาน้อยไปหน่อยดูออกไหมไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่ออกห้าสิบห้ากล่าวกลานมัสการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่ฝึก <c oughs> อยู่ใช้ได้นะใครไปรู้เอา สังเกตไหมกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นได้นั่นแหละดูไปดูถูกแล้ว เ, เบอร์ร้อยสี่สิบแปดจบยังจริงไม่มีคำถามแล้วล่ะไม่ไม่ทราบ ว, ว่าตอนนี้ยังประคองอยู่ไหมคะหลวงพ่อน้อยมากเลยประคองเพราะกลัวหลวงพ่อที่ฝึกจะใช้ได้ร้อยสี่สิบแปดอยู่ข้างหน้านั่นะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ มาเป็นครั้งที่สองเจ้าค่ะครั้งแรกมาเมื่อเกือบสองปีที่แล้วเจ้าค่ะก็เลยกันบ้านเยอะหน่อยค่ะก็ตั้งแต่เปล่ปเปลีป่ยนแปลงไหมเห็นเจ้าค่ะแม่บ้านที่บ้านก็เห็นเจ้าค่ะดีสิค่ะก็หลังจากปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อก็เห็นกายบางทีเห็นกายค่ะแต่ว่ายังเห็นเป็นตัวเราอยู่อันนี้เป็นปัญหาไหมเจ้าค่ะไม่เป็นเห็นแล้วมันรู้สึกเป็นเราก็ให้รู้ไปค่ะ เห็นมันเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุก็รู้ไปยังไงก็ได้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าให้มันลืมกายลืมใจไปก็ลกแล้วกันคะแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้เจ้าค่ะเหมือนว่าพอนั่งเหมือนพยายามจะสัญญากับตัวเองว่าคืนนี้จะนั่งอย่างน้อย5นาทีก็จะเหมือนแอ บ, บลืมตาดูนาฬิกาเจ้าค่ะว่ามัน5้านาทีอย่านั่งหลับตานั่งดูนาฬิกา oh. นั่งนั่งไปนะแล้วค่อยดู5นาทีเนี่ใจลอยกี่ครั้ง ไปนั่งลืมตานะนั่งลืมตาไว้แล้วก็ดูนาฬิกาไปก็ได้แล้วค่อยรู้ทันนะในห้านาทีที่เราสัญญากับตัวเองเนี่ยเราใจลอยไปกี่ครั้งแล้วหนูต้องพูดโทรหรือดูลมหายใจเจ้าค่ะดูใจนะดูใจนะใจหลงไปแล้วรู้ใจหลงไปแล้วรู้<อ>นะแล้วลองไปดูนะได้กี่ครั้ง<อ>ในห้านาทีนะัทุกวันซ้อมห้านาทีดูว่าหลงกี่ครั้ง แล้วก็เดินจงกรมชอบไปเพง่งเพ่งตรงข้อพับหัวเข่าอ่ะเจ้าคะ่ะดูสบายๆดูทั้งตัวเดี๋ยวไปเพ่ง่อยน ะ, ะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกสบายๆไปแล้วก็ปฏิบัติเหมือนว่าจะรู้กายออรู้ใจได้มากขึ้นค่ะกิเลสเยอะมากแล้วก็นิสัยไม่ดีเจ้าค่ะถูกต้อง โมทนานะแล้วก็ปฏิบัติแต่จะทำไม่ได้เลยเวลามีความสุขมากไปหรือว่างานยุ่มาไปเเทวดาเลยภาวนายากรบกวนขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อเจ้าค่ะให้ไปแล้วนะไปดูนะห้านาทีหรือกี่ครั้งคือดูจิตดีกว่าดูกายใช่ไหมคะไลนสามสสองมรรการค่ะหลวงพ่อ คือมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งปฏิบัติได้สักสองสาเดือนเองอะคะ่ะไม่ไม่ทราบเลยว่าที่ทําอยู่เป็นยังไงการปฏิบัตินะมันเรียนรู้ตัวเองด้วยความซื่อตรง <c oughs> ซื่อตรงหมายถึงว่ามันเป็นยังไงรู้ไปรู้อย่างซื่อโ <c oughs> มโหก็รู้นิสัยเราไม่ดีตรงไหนเกิดขึ้นใครรู้เห็นที่อย่างนิสัยไม่ดีดูออกไหมดูออกค่ะเอออย่างนั้นแหละดีบางทีก็ชอบบางทีก็มีเสียงเพลงอยู่ในหัวบางทีก็มีคําพูดเลย แต่ไปหมดไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่เหมือนกันเออช่างมัน<อ>เห็นมันทํางานไปเรื่อยๆค<ะ>่นะนั้นแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็มีสติตามดูไปนะทาถูกหรือยังคะที่ทำถูกสิแล้ว<ๆ>ฟังซีดีหลวงพ่อไปนะฟังไปเรื่อยๆอย่ขี้เกียจ น, น ะ, ะหน้าตาขี้เกียจง่ายนั่งสมาธิไม่ค่อยได้อคะค่ะทําสมธาธิไม่ค่อยได้ช่วยแนะนํานิดนึงนั่นแหละดูจิตไปเวลาคือเวลานั่งสมาธิชอบฟูงแล้วก็แล้วก็ไม่ ไม่สามารถจ ะ, จะรู้ได้ว่าฟุ้งเหมือนกับไปไกลแล้วคยพยายา ม, มอยู่กับชีวิตธรรมดา น, นี่แหละน ะ, ะเราเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไปหางานทําไปกวาดบ้านอะไรเงี้ยถูบ้านนะหัดทํางานบ้างทํางานไปแล้วเห็นร่างกายมันทํางานใจมันจะได้ไม่ฟุ้งมากฟุ้งได้นะแต่อย่าให้เกินกายออกไปฟุ้งไปก็รู้ร่างกาย<ๆ>เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปที่ที่เหมาะกับหนูคือต้องดูกายไปก่อนะที่เหมาะจริงๆก็ต้องดูจิตแต่ตอนนี้ยังไม่มีแรงนะเอากายมาช่วยก่อน ค่ะคุณค่ะเบอ ร, ร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเี่มาสักการหลงพออ่อค่ะกลัวไหมกลัวมาโอ้กลัวให้รู้ว่ากลัวนี่แหละการภาวนารู้ทันใจตัวเองอเราอยากให้คนอื่นมารู้ทันใจเราไม่มีสาระหรอกเรารู้ทันใจเราเองดีที่สุดเลยตั้งใจเว่าถ้าสอบติดเราจะมาขอกันบ้านหลวงพออ่อค่ะทําไมต้องรอสอบติดอ่ะ <c oughs> สอบตกแล้วจะไม่เรียนเหรอก็อาาว์ค่ะ การบ้านนะการภาวนาเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินไม่เบียดบังเวลาเรียนหนังสือนะยิ่งภาวนายิ่งเรียนเก่งนะบางทีรู้ข้อสอบล่วงหน้าด้วยเราเราก็มีเวลาแบบนั่งสมาธิมันจะรู้สึกแบบไม่ชอบอึดอัดมากให้ดูที่ใจที่นั่งแล้วอึดอัดเพราะไปบังคับใจจะเอาความสงบพออยากให้สงบนั้นไปบังคับขคมข่มมันก็อึดอัดขึ้นมาสิเราต้องทำยังไงให้คอยรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่ให้บังคับใจนะ ไปดูตัวนี้นะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆไม่บังคับให้มันนิ่งร้อยแปดสิบสามกรรมนมัสการหลวงพ่อครับผมเริ่มสับสนกับการปฏิบัติของตัวเองมาพักใหญ่ๆคือหลายเดือนแล้วเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรารู้ว่าเราเราคิดอะไรอยู่คือเป็นคนช่างคิดแล้วพอรู้ว่าเราคิดเราก็เริ่มรู้ว่าอนี่เราเราตามรู้มามารู้ได้แล้วว่าเราคิด จากนั้นก็เริ่มสับสนต่อว่าเมื่อกี้นี่ยรู้ถูกหรือเปล่าพอเริ่มสับสนก็เลยเ ร, เริ่มรู้ว่าสับสนแล้วมันก็เลยรู้อีกทีมันก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเมื่อตกี้มันรู้จริงหรือเปล่านอะอืการภาวนาไม่มีอะไรรู้ลงปัจจุบันไหมงั้นสังเกตไหมมันเปลี่ยนตลอดนั่นแหละรู้ความเปลี่ยนแปลงไปครับเห็นไหมมันเป็นได้เองมันสงสัยได้เองเห็นไหมมันรู้ได้เองมันทําทุกอย่างได้เอง ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานเองตรงนี้ดูออกไหมคือบางทีไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดเอาว่ารู้หรือว่ารู้จริงจริง <ๆ S 2> ก็ให้รู้ว่าไม่แน่ใจนความไม่แน่ใจแต่เดิมไม่มีก็เกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่าไม่เที่ยงมีขึ้นมาเพอเรารู้ทันความไม่แน่ใจก็หายไปเกิดแล้วก็ดับนี่ดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาอะไรหรอกอนะดูให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปดูแค่นี้เองับะเราจะไม่มีวันสงสัยเลย พราทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นครับภาวนาเพื่อวันหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดามผู้ที่จิตยอมรับความจริงตรงนี้คือพระโสดาบันบนะเพราะเราไม่ได้พาวนาเอาความฉลาดรอบรู้อะไรว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดเลยไม่สนใจหรอกถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับผิดเกิดแล้วก็ดับนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับครับเบอร์สามสิบหนึ่งกาบนมรดการหลวงพ่อการ กรู้สึต่ยมยกมาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องขนมเออค่ะก็ข้อ1ข้อ2ข้อสนี่ก็ข้อหนึ่งนี่อาจจะเป็นน้อยหน่อยค่ะคือไม่ได้ดักดูล้วค่ะคือมันเกิดแล้วเราถึงได้ดูถ้าดักดูนะใจจะแน่นค่ะนะถ้าข้อ2เนี่ยถ้าไปจ้องไว้ไปเพ่งไว้ใจก็แน่นนะข้อ3ามพอไปแทรกแสงก็แน่นอีกบางครั้งเครียดแล้วเหนื่อยด้วยค่ะข้อ2องค่ะแล้วข้อสาเนี่ยยมจะมี ข้อด้อยอยู่นิดนึงคือจะมีกิเลสตัวหนึ่งที่มันจริงๆแล้วถ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อคงต้องบอกว่ากําหนดรู้ก็คือความกลัวนะคะอืคือมันมันมีอยู่ทีนี้ถ้าจะคิดว่าเราจะเอาชนะมันอ่ะมันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องค่ะให้กําหนดรู้ทีนี้โยมเนี่ยมีเวทนาบางอย่างซึ่งมันไวมากเวลาผัสสะมันเข้ามานี่เวทนามันมันแล่นเข้ามาในจิตทันทีทันทีเลยค่ะ บางครั้งก็ทุกข์แบบสุดๆเลยโยมไปดูนะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปเองทุกอย่างนี้นไม่ใช่เราหรอกมันเป็นไปเองทั้งกายทั้งใจไปดูอนัตตานะดูสิมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นเองมันทํางานได้เองไปดูตัวนี้บ่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราเอออย่างอารมณ์มันกระทบเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมันมากระทบเองใช่ไหมกระทบแล้วใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาเองห้ามมันไม่ได้หรอก <SPEAKER> ไปดูนะในแง่มุมของความเป็นอนัตตา มันเป็นไปเองบังคับมันไม่ได้คจะดูตัวนี้บ่อยๆแล้วโยมที่ทํามาน่ะถูกไหมคะถูกสิแต่โยมเป็นคนขี้โมโหนะเพราะงั้นใจมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันไปว่าไม่เป็นกลางกราบขอบพระคุณค่ะแล้วดูไปทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆเบอร์สามร้อยสามสิบเก้าครับผมมัน รู้สึกตัวว่ามันรู้แบบช้าแล้วก็บางทีเหมือนมันไม่ค่อยเอาอะไรครับพอพอรู้ไปแล้วก็รู้เฉยๆแต่บางทีที่รู้ช้านี่คือข้ามวันมาบางทีก็เพิ่งรู้อย่างเงี้ยโอ้นานไปล้ว <c oughs> ข้ามวันหมายว่ามันกลับไปไไคิดเอาอันเก่ามาเออแน่ น, นั้นเป็นการคิดละแล้วพอมันมันรู้บางครั้งรู้สึกว่า <c oughs> เออเราเราคิดหรือเปล่า เราให้ไปดูที่ใจนะใจเกิดความรู้สึกสับสนให้รู้ว่าสับสนรู้ทันตัวนี้บ่อยๆมันก็มีรู้สับไปสับมาอย่างนี้เออนะเรื่อยๆครับใช่พอรู้กลับไปกลับมาแล้วใจเกิดสับสนอะไรขึ้นมารู้ทันว่าสับสนไปเลยครับผมแล้วก็อยากได้กันบ้านนะครับนี่ไงให้แล้วนะไปดูเขาทำไงสติจะเกิดปล่อยนะต้องหัดรู้ วิธีหัดรู้ก็คือหากรรมฐานมาทําสักกานหนึ่งก่อนอะไรก็ได้นะพุโทโธหรือหายใจหรืออะไรก็ได้ดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แล้วแต่เคยถนัดเสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจไปหายใจไปพุโทโธไปหรือดูท้องพองยุบไปนะแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันหัดรู้ทันบ่อยๆเจะสติจะได้เกิดไวครับผมแล้วที่เป็นอยู่ถึงตอนนี้นี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้นี้ตอน น, น, อ น, นี้ตอนนี้เพ่งอยู่นะซึมซ ม, มีโมหะซึมครับผม เบอร์ย <22. S 2> ี่สิบสองก็เริ่มเห็นที่มันชอบเข้าไปติดในช่องครับอืมดีแล้วล่ะเห็นแล้วไม่มีปัญหาเห็ไม่บอกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพรวมที่ปฏิบัติทั้งหมดมันความยึดถืออะไรมันน้อยลงทุกไหมครับหลวงพ่อถึงไม่ให้ยกมื อ, <laughs> อ, อช่วงที่ผ่านมาเวลาคือเหมือนกับว่าจิตมันจะคอยย้อนเข้ามาดูข้างในอยู่เรื่อยครับ คือเวลาจะเป็นข้อสามไม่เป็นกลางครับดวออกไหมดูออกเป็นมันเป็นบางครั้งหรือเปล่าครับแล้วเวลาไม่เป็นการนี่ผมทรมานมากเลยมันอึดหัดมากเลยครับช่วยไม่ได้ต้องทุกไปก่อนครับแล้วแล้วแล้วการที่คือเวลาสมมุติว่าเราจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะย้อนเข้ามาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันผิดปกติหรือเปล่าครับอย่าจงใจถ้าย้อนมาเองไม่เป็นไรนะถ้าจงใจย้อนจะแน่น ครับถ้าแน่นๆแนะ่ะแสดงว่าผิดละครับแต่ทีนี้คือไอเอขาอรู้สึกนี้มันทําให้เราเวลาจะทํางานทําอะไรมันก็จะลําบากอะครับมันทําไมอะคือมันก็จะคอยสมมุติเราจะไปอ่านหนังสือจะไปอ่านอ<ม>ะไรเงี้ยเวลาทํางานนะจดจ่ออยู่กับงานต้องสับสวิตให้เป็นเวลาทํางานเนี้ยตั้งอกตั้งใจทํางานไปคิดเรื่องงานอะไรเงี้ยมีหน้าที่จะต้องทํางานสติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาไปอยู่ที่งาน แต่พอกิเลสแทรกเข้ามาถึงจะค่อยรู้เอาไม่ใช่ย้อนมาดูตลอดมันทํางานไม่ได้มันจะคอยย้อนมาเองแล้วเวลาเราเวลาเราฝืนเดี๋ไปมันจะอึดอัด น, นะอย่าฝืนสิมันย้อนขึ้นมาก็แค่ดูไปเออมันย้อนได้เองนะครับพอรู้ทันต่อไปมันไม่เป็นหรอกอ๋อแล้วเมื่อเช้าที่หลวงพ่อทักว่าฟุ้งซ่านนะครับตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันรู้อยู่ครับเข้าใจมันถลัมไป <laughs> ดูไง อ๋อยังไงคือทาราลงไปรู้เออว<ร>เวลารู้นะเหมือนรู้ไม่คลาดสายตาเลยมันผิดข้อที่สองนะ อ, อ๋อยีงแสดงที่ผ่านมาคือผมจะรู้อย่างนี้บ่อยมากครับออจิตมันส่งเข้าไปรู้อะ่ะอ๋อคือตรงนั้นไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีครับขอบคุณมากครับอาวเบอร์ร้อยสิบสองเป็นหลวงพ่อนะ่าลาบากลาบากบางคนไม่เรียกมันก็น้อยใจนะอา่า คิดว่ามีทั้งสามข้อค่ะแล้วช่วงนี้แบบงงๆเหมือนงงก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงอย่างอื่นๆนั่นแหละงนั้นงงแล้วทำไงดีรู้ว่างงใช่ไหมแต่เราส่วนมากเราทนไม่ได้พองงเราจะต้องค้นหาคำตอบเราจะถูกกิเลสหลอกเนี่ยกิเลสทุกตัวนะมีหน้าที่หลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวกิเลสทุกตัวนั้นจะหลอกให้เราหลงนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธ เราไม่รู้ว่ากำลังโกรธนะความรักเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เรารักไม่รู้ว่ากำลังรักอยู่ความงงเกิดขึ้นเราจะไปคิดหาคำตอบเราไม่รู้ว่ากำลังงงอยู่ในกิเลส ท, ทุกตัวหลอกด้วยวิธีซ้ําๆำซัำซำซกซกัเชื่อมันมีอะไรต้องแก้นั่นแหละไปดูเอาตัวนี้แหละรูนะ้ ล, ลงปัจจุบันไปทุกอย่างเกิดเราดับทั้งสิ้นร้อยสสายังไม่หายงงอีกแล้วดูงงขึ้นมาก็ให้รู้ลงไปนะ เราไม่ได้เรียนเอาความฉลาดนะเพราะฉะนั้นจิตมันงงก็แค่รู้เท่านั้นเองร้อยสามสิบสามครับคือผมเป็นคนที่มีจริตฟุ้งซ่านมากครับเห็นด้วยแล้วก็แต่ช่วงนี้รู้สึกเห็นกิเลสบ่อยขึ้น เ, ออเห็นโทสะบ่อยขึ้นเออดีแสดงว่าที่ดูอยู่นี่พอใช้ได้แล้วใช้ได้สิส <ขอ S 2> ถ้าเห็นกิเลสได้นะก็ถือว่าใช้ได้ครับเราต้องทาอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับลองไปดูจำสามข้อได้ไหมครับ แต่ก็รู้สึกยังผิดทั้ง3าข้อเดินะให้รู้ทันไปพอผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้ไปไม่ต้องพยายามทําให้ถูกนะ3มข้อนี้ไม่ได้บอกให้ทําให้ถูกหรอกแต่ว่าถ้าทําผิดแล้วให้รู้ทันเดี๋ยวมันค่อยถูกของมันเองถ้าจงใจทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อ น, นั้นแล้วผมต้องมีวิหารธรรมอะไรเป็นอะไรครับของเรามันชอบชอบคิดมากนะใจมันฟุ้งเก่งครับฟุง้งจนกระทั่งเราบางทีดูจิตไม่ไหวถ้าเราดูจิตไม่ไหวคุณมาดูกายไว้ก่อน ให้จิตมันมีกำลังการดูจิตเนี่ยจิตเป็นของละเอียดเป็นของประณีตนะดูไปดูไปบางทีแรงไม่พอถ้าแรงไม่พอแนละ้วดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแนละ้วมาดูกายไว้ครับขอบพระคุณหลงพ่อเบอร์สี่สิบเห็นไหมร่างกายกาลังหันหลังเห็นไหม เ, ออเห็นไหมเออเห็นแล้วลืมกายให้ดูกายก็คือคอยรู้สึกกายเรืเ่อยๆเฉลียวซ้ายแลงข ว, วาคอยรู้สึกเบอร์สี่สิบเชิญ เป็นม่ก่อนแต่ได้ยินแล้วเอากลับนะมันสการแล้วเอาว่าไปอาพอดีโยมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทันหลวงพอ่อแล้วก็พอกลับไปแล้วโยมก็ไปอ่านหนังสือวิธีแห่งการรู้แจ้งคือโยมนั่งสมาธิแบบอาณาปานาสติอะค่ะดูลมหายใจแล้วก็พอพอยมมาอ่านหนังสือหลวงพอ่อหลโยมก็ ท ำ, ทำตามที่ที่หนังสือบอกว่าให้ดูจิตนะคะต่อมาแล้วโยมก็เพียนทำให้ๆว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยปกติจะมีเวลาสักสิบในที่สิห้านาทีาทแต่ทนี้โยมรู้สึกว่าโยมนั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจแล้วมันไ ม, ไม่ไม่รู้ว่ามันได้สภาวะอะไรมันมันคือโยมก็หมั่นทำจากเป็นสามสิบนาทีสี่บ้านาทีจนถึงหกโมงเช้าโยมมีภาระต้องไปปลกลูกไปโรงเรียนกเจ้าค่ะทีนี้ พยมทําไปยำ ม, มาเอ๊ะทําไมรู้สึกแบบไม่อยากเจอใครเลยอพอออกไปข้างนอกก็แบบอยากกลับบ้านบางทีเดินะนะอันนั้นเป็นอาการของคนติดสมถ ะ, ะติดความสงบจะหนีเข้าถ้าให้รู้ทันใจที่อยากจะหนีค่ะนะคะ่แล้วพอมาเจอครูโอ่ะค่ะแล้วก็มาเล่าให้ครูโอฟังครูโอก็พูดถึงหลวงพ่อก็เลยจําได้เออเราเคยทําตามที่หลวงพ่อบอกนะ อ, อะไรอย่างเงี้ย โยมก็เลยทําตามของที่ครูโอ๋บอกว่าให้ดูจิต <H it> ท่ น, นี้โยมเห็นสภาวะที่บางครั้งโยมคิดเรื่องแบบไม่ดีขึ้นมาปุ๊บมันจะดับไปเลยเ <c oughs> จา้าค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอยู่เมื่อประมาณสักสองวันเนี่ยฟ้ามันมันผ่าเปี้ยงดังมากปุ๊บเหมือนเหมือนลูกโป่งแตกเลยอะคะ่ะในในที่ที่โยมรู้สึกนะคะท่ น, นี้โยมอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าสําหรับโยมนี่ถ้า มันมีการฟังซ่านมานี่ไปไปดูลมหายใจแล้วก็ดูจิตควบคู่กันได้ไ้ยเจ้าคะต้องฝึกนะเวลาดูลมหายใจอย่าให้จิตถลำไปเพ่งลมแค่เห็นลมร่างกายมันหายใจนะดูสบายๆเอาลองทำหายใจให้ดูซิไปหายใจไปเนีย่ยจิตหลงไปแล้วนะ ลงไปดูลมหายใ จ, อ, จ<า>อย่างนี้เรียกว่าหลงเนี่ยอย่างนี้ไม่เอ า, าแล้วเธอเป็นหลงอยู่อย่างนี้แหละถึงยันหนีขเข้าถ้ะแล้วแล้วขอถามอีกอีกอีกอันนึงนะเจา้าค่ะหลวงพ่อแล้วท่านนี้โยมไปเล่นโยคะเนี่ยปกติเขาจะให้อยู่กบการหายใจใช่ไหมคะพอโยมมาดูจิตปุ๊บแล้วโยมไปเล่นโยคะอ้าวเมื่อกี้ครูอบอกให้หายใจออกแล้วเราไปหายใจเข้าได้ยังไงคือดูแต่จิตนะเจ้าค่ะแต่ว่าพอไปทําอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการดูลมหายใจด้วยแล้วก็ดูจิตไปด้วยมันควบคู่กันเพราะว่ารู้สึกว่า เออเราดูลมเมื่รเราสึกเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะไปะไปฝึกเอาที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วค่ะแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำโยมไหมคะก็ดีแล้วไปเรียนกับครูโอนั่นแหละครูโอนก็มาเรียนที่นี่แหละอ้าวเบอร์เก้าบเจ็ดการิบเจ็ดอยู่ไหนไปเดี๋ยวไม่ทัน ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนได้แล้วค่ะแล้วก็ฝึกฝึกดูจิตแล้วก็เห็นว่าตัวเองโกรธจริงๆแบบเยอะมาก <ừ. S 1> ออแล้วก็ก็คืออยากปรึกษาหลวงพ่อว่าจะมีวิธีไหนที่จะในการฝึก เ, ออเขาเรียกอะไรสมรถธาก ร, รมฐานนะคะตอนนี้ไม่ได้ฝึกอันนั้นเลยค่ะอยากรู้ว่าแบ บ, บไหนที่เหมาะสมสมาฐยังไม่ต้องฝึกนะฝึกไม่ได้อตอนนี้ยังฝึกไม่ได้ใจมันฟุ้งมาก <c oughs> ให้ดูจิตไปเลยต่อไปพอเราเห็นกิเลสเนี่ย <c oughs> กิเลสจะดับไปแล้วจิตจะสงบเองค่ะ <c oughs> นะอยู่ๆตอนนี้ไปทำความสงบขึ้นมาเนี่ยไม่ไหว <c oughs> ไปดูจิตก่อนนะคอยดูจิตใช่ไหมคะใช้ใช้ปัญญานำสมาธิค่ะเมื่อร้อยเก้าสิบมาครั้งที่สองคะค่ะแล้วก็ ออพอช่วงไหนที่มีงานเยอะๆมีได้รายเยอะๆจะฟุ้งมากที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วน ะ, ะเราไม่ได้ไปบังคับให้มันนิ่งห <S <S เห็นไหมเห็นไหมมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาดูไปมันเคลื่อนไหวของมันเองหรอกค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการฝึกสมถะเนี่ยถ้าจะฝึกหลายๆรูปแบบเนี่ย จ, จะได้ไหมคะไม่เคยได้กินหรอกมันจับจดไปสมถะเนี่ยต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขไม่ใช่บอกแล้วนะ อารมณ์ที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจสมถะไม่ใช่เครื่องบังคับจิตบางคนหายใจไปพุโทโธไปนับไปแถมมือนันบรูปประคำไปด้วยนะ <c oughs> เหมือนเอาโซ่ตั้งหลายเส้นไปมัดจิตเนี่ยจิตอึดอาจไม่สงบหรอก <Okay. S 1> นะหาอะไรสบายสบายมาหลวงพ่อแต่ก่อนเคยนะบางช่วงทำงานเหนื่อยมากๆนะทำสมถะเวียนหัวดูยากหลวงพ่อไปเลี้ยงปลาเลย ไปที่วังมัดฉาบางวัดเขามีนะซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเนี่ยจิตเราเป็นกุศลใช่ไหมเป็นกุศลแลจิตใจเรามีความสุขอะ่ะคนเราดูน้ําดูแม่น้ําดูอะไรที่โลง่งโล่งกว้างๆใจก็สบายไหมใจก็สงบขึ้นมาพอใจสงบเรากลับมาดูจิตได้ปลาตัวนี้น่ารักนี่เห็นแล้วใจรักไอ้ตัวนี้ตะกระไว้ตัวใหญ่ เท่าไรกัดตัวเล็กนะ่าจะกินอยู่ตัวเดียวนี่ปลาตัวนี้นิสัยไม่ดีนะเอาขนมปังก้อนใหญ่ๆกว้างหัวมันล้ดีสมน้ำหน้ามันเนี่ยใจไม่ชอบหน้ามันรู้ว่าไม่ชอบใช่ไมันกลับมาภาวนาได้เลยขอเรียนถามอีกข้อนึงอะค่ะว่าการคิดพิจนารณาเนี่ยพิจนารณาเหตุเนี่ยนะคะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่พ่อคะไม่เป็นนะอย่าไปคิดเอานะคเคนได้ยินหลกพ่อพุทธไหมเคยได้ยินชื่อท่านไหม หลวงพพุทธสอนนี้นะสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจถ้าตั้งใจจะให้สงบไม่สงบหรอกวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้ายังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสนาหรอกวิปัสนาคือการเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นไตรลักษณ์คาว่าปัสนะคือการเห็นไม่ใช่การคิดอ ย, อย่างเช่นเห็นสภาวะจิตแล้วก็ไม่ไม่ คือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นสภาวะอะไรไแต่หลังจากที่ไปพิจารณาเหตุแล้วรู้ว่ามันเป็นอัตตาแล้วแล้วมันดับไปนี่อันนี้เป็นวิปัสนาปะคะหมายถึงไงตอนนั้นยังมีอัตตาอยู่คือตอนที่เห็นจิตเนี่ยไม่รู้ว่าคือ ร, รู้ว่ามันเป็นไปทางอากุศลมากกว่าแต่พอไปพิจารณาแล้วเราคิดว่าและได้ข้อสรุปว่ามันเป็ น, ปนสาเหตุคืออัตตาอันนี้เป็นการฝึกให้รู้จักอัตตาต่อไปพอสภาวะของอัตตาผุดขึ้นมาสติะระลึกรู้ก็ขาดไปเองเลย นะอันนั้นถึงจะใช้ได้อันนั้นเป็นจุดตั้งต้นหรอกช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาหลวงปู่ ด, ดุลสอนนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ท่านมีประโยคสุดท้ายท่านบอกว่าแต่ก็อาศัยคิดของคุณตอนนี้ก็อาศัยคิดไปอ๋อ oh, ตัวนี้อัตตาอนะไรอางี้พอมันจําได้นะต่อไปไม่ต้องอาศัยคิดแล้วแค่รู้มันก็ขาดเลยนะอั น, นั้นเป็นตั้ต้นๆใช้ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าใช้ตลอดเวลานะเดี๋ยวเคยตัวช่างคิด คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ <Okay. S 1> แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ห้ามคิดนะร้อยหกสิบหนึ่งขอมาต ร, รการพ่อครับถามพ่อว่าที่มาของพ่อเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยไปนั่งสมาธิเราดูปกติบ่นบ่นครับก็สวจมนตวจมนเสร็จนะเดินจงกรมเดินจงกรม แล้วนั่งสมาธิดูปกติหมดครับไม่แยกแป่งเลอทีนี้จะขอถามพ่อว่าก่อนมาหาข้อเนี่ยคือมีก็พอนั่งสมาธิแบ่งเนี้ยพอหายใจแต่ชาแล้วแ้วก็ทําไมถึงจะหยุดหายใจหลวงพ่อครับอ๋อถ้าจิตสงบแล้วมันหยุดหายใจเองนะครับก็ผมต้องรีบหายใจอ่ะกลัวครับไม่ตายไม่ตายนะ <c oughs> ครับ ม, มันหยุดได้นานๆเลยครับแล้วก็บางทีก็ ตัวเบาครับค ล, าคลา้าย ไ, ไม่มีตัวมีตัวนใช่ใช่อันนั้นเป็นสมถะนะโยมฝึกแล้วมีความสุขมีความสง บ, บทีนพอเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยโยมคอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ไโดนขนาดโดนทีใจหายวูบเลยพ่อเผอตัวหนาา้าผักโคกพื้นเลยครับเราทำสมาธิเยอะไปนะนะสติมันตามไม่ทันนะแล้วก็อีกทีก็เผอตัว บวาพามหนึ่งก็มีเออตัวมีภาพภาพล อ, อยจำหน้าได้คนแก่ mm hmm. ผมไว้ผมมวยครับแล้วก็ถามเจ้าของป่าสวนป่าถามว่าเอภาพนีอภาพใครเขาบอกว่าเจ้ที่เนีย่ยเป็นยังไงป่าครับไม่เป็นนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมาดูที่ใจของเราเองไหม นะเราภาวนาถ้าทําสมถะไปมันมีนิมิตสารพัดเลยนิมิตเป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงก็มีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีครับนะนิมิตมาสัมผัสร่างกายเราก็มีเหมือนคนมาบีบมานวดให้นะบางีก็เป็นหรือนิมิตรู้ด้วยใจก็มนะีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะกลับมารู้ทันใจของเราเช่นใจเรายินดีขึ้นมาเรารู้ทันใจเราสงสัยขึ้นมาเรารู้ทันใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันงั้นโยมต้องต่ออีกนิดหนึ่งนะ ที่โยมฝึกมาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความสงบที่ดีแล้วต่อไปนี้เราจะเจริญปัญญาเนะจริญปัญญาก็คือพอใจมันถอยออกมาจากความสงบเนี่ยมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆเช่นช่วงนี้ลูกหลานมาหาเราบ่อยเราดีใจช่วงนี้หายไปนานเราเสียใจอะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเราบ่อยๆนะตัวนี้จะพัฒนาต่อไปอีกขั้นหนึ่งครับทันี้มหามข้อเนี่ยตั้งกับมหาลมข้อเนี่ยครั้งแรกก็ไปดูปกติหมด ไม่มีอะไรแฝงเลยครับไม่แ่งเพราะว่าสมาธิเราเยอะธรรมะครับธรรมะมันเยอะโยมดูไก่ไปถ้าจิตไม่แ่งนะดูไก่ไปครับก่เนี้ยเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกดูอย่างนี้เรื่อยๆสําหรับคนที่ติดสมาธิเนี่ยให้มาดูไก่ไว้เบอร์ร้อยสามสิบแปดขอบคุณพ่อมาครับกลับมาบัสการหลวงพ่อครับครั้งนี้มาครั้งแรกครับผมก่อนหน้านี้ ก็ปฏิบัติทำก่อนที่จะฟังสิดีของหลวงพ่อนะครับนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเกิดภาพหนึ่งที่เห็นขึ้นมาคือเห็นตัวเองกำลังโกรธแล้วฟันบังสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกว่าตกใจหลุดออกจากภาวะตรงนั้นเลยครับแล้วก็วันที่สองก็ไม่ได้เอะใจอะไรจิตรวมสภาวะเริ่มเป็นหนึ่งมันเป็นแสงขาวๆเริ่มรวมกันรู้สึกว่าตกใจแล้วก็หลุดออกมาอีกทีนงทำไมมันขี้ตกใจจัง มันเหมือนว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกครับว่ามันเหมือนไปเพ่งไปจ้องไปคอยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเลยตกใจออกมาจากตรงนั้นฮะอืแล้วก็มีคนเอาซีดีมาให้ผมฟังผมก็เลยฟังสมาธิฟังซีดีของหลวงพอ่พอพร้อมกับปฏิบัติธรรมคราวนี้ก็รู้สึกตัวด้วยพือยุบหนอพองหนอกับหูก็ได้เสียงหลวงพอ่อเทศธรรมะไปด้วยคราวนี้พอนั่งไปนา น, น, าน ร่างกายมันกระตุกก็รู้ว่าร่างกายกระตุกครับอแต่ภาวะที่ออกมาจากสภาวะตรงนั้นมันเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะยังไงครับไม่เป็นไรนะอะไรก็ได้นะแต่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะจิตสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีความหมายอะไรสภาวะอะไรก็ได้เทนะ่าเทียมกันทั้งหมดเลยนะหรือกระทั่งนิมิตนะนิมิตจริงนิมิตปลอมไม่สําคัญหรอก นะนิมิตใดๆเกิดขึ้นรู้ทันใจนะออกมาอยู่ข้างนอกนี่จิตเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆนะอะไรก็ได้แล้วทุกอย่างนั้นสอนใจรักทั้งหมดแล้มีไหมสภาวะที่เกิดเราไม่ดับไม่มีหรอกดับหมดครับผมดับหมดนะแต่ตอนดับนี่คือเราไม่รู้ตัวนะครับว่ามันดับแต่เวลาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเกิดครับตอนใหม่ๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ไปนะ่าจะดับวับวับวให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยนะแต่ยิ่งเห็นดับมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็หลังจากฟังซีรีหลวงพอ่อทุกเอยาบทของผมจะเริ่มรู้สึกมีความรู้สึกตัวตลอดครับดเดินก็นับหนึ่งสองในใจให้รู้ทานจังหวะครับทีนี้พอทำไปนานๆปุ๊บความเคยชิน ม, มันเกิดมันมีปิติขึ้นมาครับอพอรู้ว่ามีปิติก็อให้รู้ว่ามีปิติเกิดคราวนี้ใครทักอะไรพูดอะไรคำพูดที่มันจะพูดไปมันมันมีสติคอยควบคุมไม่ให้เรามุสาฮะอืมดีมีสติก็มีศีลนะ มีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาต่กอนี่พูดเล่นเยอะครับหลังๆนี่คือกลัวว่ามันจะเป็นคำโกหกไปก็เลยไม่ค่อยพูดคนเองก็ทักว่าเป็นไรมันเหมือนดูเศร้า ๆ, ๆไปฮะดู ด, ด, ดูที่ใจให้ดีนะอย่าให้ติดอารมณ์นิ่งนะครับมันติดความนิ่งมากไปนะพูดเล่นยังได้เลยพระอราหันต์บางองค์ปากจัดด้วยนะมีนะเจอใครเรื่องไอ้ถอยเนี่ยจิตตรงนี้ดีนะจิตตรงที่หัวานตะกี้ ตอนนั้นแหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่อยู่พื้นๆเนี่ยเป็นจิตที่บังคับเนี่ยเริ่มกลับไปจิตที่บังคับแล้วต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้นะอย่าให้ค้างอยู่ที่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆหัวเราะอีกทีสิ <c oughs> นี่แหละจิตอยู่ตรงนี้แหละรู้สึกไม้มมันโล่งกว่ากั น, นไม่มีน้ําหนักหรอกถ้าเมื่อไรหร่มีน้ําหนักเมื่อนั้นผิดเลยครับถามมาอีกคอหนึงนะครับ <c oughs> กิเลสสามตัวราคะโทสะและโมหะ ควรตัดตัวไหนก่อนครับหลวงพ่อตัวไหนเกิดก่อนเอาตัวนั้นแหละตม่ไม่ใช่กวนกิเลสทุกตัวถึงเราไม่ตัดมันก็ดับมีไม่โกรธแล้วไม่หายไม่มีโลภแล้วไม่หายไม่มีนะหลงแล้วไม่หายไม่มีหรอกงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นไม่ต้องคิดไปตัดมันหรอกสภาวะทั้งหลายจะสอนธรรมะเราทั้งสิ้นเลยโกรธแล้วเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมโลภเกิดแล้วก็ดับตัวไหนเกิดรู้ตัวนั้นแหละนี่มันหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยว ไม่ทันซะแล้วะใครอยากถามหลวงพ่อเอาไว้ถามแม่ชีก็แล้วกันถามปูบา้านะอาะมีใครมาจากต่างประเทศแล้วอยากถามไหมมีไหมต่างประเทศนะะใครมาที่ไกลๆเลยจังหวัดที่ไกลๆไกลแค่ไหนภูเก็ตอ้าวใต้แล้วคนโู้นล่ะเบ อ, อะไรที่ยกข้างหลังจังหวัดไหนอะไรนะ ลำปางเออไกลอา้าวภูเก็ตคนหนึ่งลำปางคนหนึ่งอา้าวสองคนหมดเวลาเชิญเอาภูเก็ตก่อนเคยถามแบบนี้นะมีคนหนึ่งยกมือแล้วตอบคาถามเสร็จแล้วบอกอยู่บางประกงนำมาสการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกฟังจากซีดีนะคะมีปัญหาเรื่องว่า นั่งสมาธิไม่ได้ค่ะนั่งแล้วก็จะฟุ้งแล้วก็จะนอนไม่ได้ปวดศีรษะค่ะอย่าไปนั่งมันสิ <c oughs> ไปเดินช้อปปิ้งบ้างเอาไปช้อปปิ้งนะเห็นอะไรอยากได้ให้รู้ว่าอยากได้ <c oughs> อย่า ก, กดใจให้นิง่งพงโยมมากดใจให้นิ่งมากไปเดี๋ยวมันจะซึมไป <c oughs> นะให้มันฟุ้งซ่านแล้วตามรู้ว่าฟุ้งซ่านดีกว่าไปกดให้มันนิ่ง <c oughs> อย่า ก, กดนะค่ะ <c oughs> กดแล้วไม่เดีย๋ยเดี๋ยวคนเข้าว่าเราเพี้ยนอย่าไปบังคับใจให้นิ่ง คือสมาธิยังไม่ต้องนั่งก่อนใช่ไหมคะอย่านั่งเน่อย่าเพิ่งนั่งเลยน ะ, ะออกไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรให้พักผ่อนให้ผ่อนคลายนะพอจิตใจเราสบายแล้วเราก็คอยรู้ความรู้สึกของเราเช่นดูโทรทัศน์เรื่องนี้อยู่เนี่ยโมโหดูอันนี้อยู่มีความสุขอะไรเงี้ยคอยดูดูใจของเราไปที่มันเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันนิ่งอา้าวคนลำปางเชิญคนลำปาง ดีนะไม่มีใครมาบอกมาจากพิษณุโลกถนนพิษณุโลกกราบนํรัสการหลวงพ่อครับจิตผมตั้งมั่นบ้าลหออยังครับหลวงพ่อครับดีขึ้นเยอะเลยครับตั้งมั่นนะ <c oughs> แต่ว่าเราเราไม่บังคับนะให้เขาตั้งเอง เขาตั้งมั่นก็รู้เขาไหลไปก็รู้อย่างตอนนี้เขาไหลไปแล้วทราบไหมเขาไหลไปคิดนะให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาครับไม่บังคับให้ตั้งมั่นแล้วเขาจะตั้งของเขาเองถึงว่าหนึคุณจะเกิดปัญญาของคุณเป็นคนที่มีปัญญามากนะคุณจะเห็นอนัตตาคือคุณจะเห็นว่าเออจิตมันไหลได้เองครนะมันไหลได้เองมันตั้งขึ้นมาเองดูมันทํางานได้เองดูตัวนี้นะคือบ่อยๆครับกลับขอบคุณครับอเชิญกลับบ้านไป